การทั้งหลายเป็นผู้ฟังการฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของตัวเราเรื่องของตัวเราก็มีกายมีจิตใจอาการที่เกิดขึ้นกับกากับใจแล้วก็เป็นธรรมแต่เป็นธรรมที่เป็นอกุศลคือเป็นบาปเป็นทุกข์เป็นโทษบางทีก็เป็นธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นประโยชน์เป็นมากเป็นผล เราจึงต้องศึกษาจึงต้องปฏิบัติจึงต้องให้เรียนรู้มีสติเป็นดวงตามาศึกษามันดูเราก็มีโอกาสมีชีวิตรจริงๆมีกายมีใจมีการเคลื่อนไหวกายก็เคลื่อนไหวได้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ เป็นท้าวหวานาการละความชั่วเป็นท้าวหวานาการทําความดีดจิตใจมันก็ชิดเป็นจุดโน่นชิดนี้บางทีคิดขึ้นมาเศร้าหมองบางทีคิดขึ้นมาก็สดชื่นเบิกบานจิตใจ ก, ใก่วงขวางมันก็เป็นอย่างนี้เราจึงต้องหัดตนสอนตนมีสติจะเห็นจะรู้จักเลือกจะเป็นตัวเฉลิ้มสมผัส ได้ทั้งกายทั้งใจอะไรถูกอะไรผิดที่มันเกิดขึ้นมาถ้าผิดก็ต้องแก้ไขถ้าถูกก็ทำ ม, มากขึ้นโดยที่สุดก็รู้จักปล่อยจักวางรู้จักหยุดจักยินมีใจก็ไว้ปล่อยวางมีมือก็ทำความดีมีปากก็พูดความดีมีใจก็คิดดี ก็สมบูรณ์แบบเลยว่ามนุษย์สมบัติยิ่งเราก็มีพิธีเตือนเจ้ากันมามาสาทยายมนร่วมกันมีผู้เท่ามีผู้หนุ่มมีผู้ปานกลางนั่งทั้งสงทั้งแม่ชีทั้งยอดทั้งโยมอากาศที่นี่ก็เหมาะ ดีจรงให้โอกาสเราเย็นๆจึงเทดลองก็ดีเราว่าออกไปเสาะทยอยเงนก็เป็นความจริงที่เป็นเรื่องของเราเงินที่เราถวายปากที่เราพูดเสียงลักษณะระวางหายใจเข้าหายใจออกก็มีแต่เป็นประโยชน์หายใจเข้าสั้นๆหายใจออกยาว แต่เราบทแต่ระว่าได้ไประโยชน์ทั้งสุขภาพในออกซิเจนเราไม่จุดทูกจุดเทียนนี่งอากาศบริสุทธิ์หายใจเข้าหายใจออกยาวๆบางทีบทสวดเ ส, สียง ส, ยสยมมูงเสียงต่ำมึก็อี้กฟีกง <laughs> แลวเขายังเดินล่งแบบลโล่อง น, นี้เรามนของเรามีทุกรสทุกชาติไม่ใช่เปื้อนใครสอนที่ใดมันก็ขูดเกาตัวเองตปวดวดนน้องหล่อ เ, เนี่ยแต่แล้วเลือกมาจากกูตร มีจริงๆเป็นการสนดีจริงจริงแล้วก็มีเพื่อนอุ่นอกอุ่นใจมีทำมันก็ที่เพิ่งอาศัยได้จริงจริงที่ดีก็ทำได้จริงสิ่งที่ชั่วก็เลได้จริงจริง เราจึงขอแหวกลงที่นี่ที่โลกนี้ในพื้นที่ี้ปากก็จะมาพูดกันมีการอารามอันใดที่มันเป็นประโยชน์ต่อกัอนกให้เกิดความสะดวกแก่ความเห็นอยู่ที่จะต้องทำความดีแล้วความชั่วเราก็แสดงออกทำออกทำได้แล้วก็มีจริงๆิชีวิตเราก็มีจริงๆ ต่อชื่อหลือคนนี้ก็ได้ช่วยจริงๆช่วยเหลืออันไหนก็ได้ทําจริงๆดินก็ช่วยเหลืออากาศก็ช่วยเหลือแม่น้ำก็ช่วยเหลือต้นไม้ก็ช่วยเหลือทําได้จริงๆยิ่งเราเ็อยู่ด้วยกันก็ยิ่งไหนช่วยกันใจเมตตาคนนหวังดีต่อกันได้จริงๆ แล้วก็เราก็มีวิธีปฏิบัติก็เชื่อมัน่นในพระสูตรในเชื่อมั่นในการกระทําดักปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ไม้ผลดได้ทันทีมันหลงให้รู้ทันทีทำได้หัานโกรธรู้ทันทีมันทุกข์รู้ทันทีหากมันมีไม่มีก็ให้รู้ไปทำไนแล้วไปซะ ยิ่งพวกเราในเกี่ยวข้องกันบริโภคกิบอนบิทบาเฉนาสนะในเพชัตของคนทังหลายนี่จะบุญคนที่เราจะทำความดีเห็นยาเหนยมเห็นแม่ชีปุ่หาในจีนเราก็ยิ่งไม่ท่วโทัมนั่นก็เขาสนาุษทนเราเราได้ทาลาความช่วยเราได้ทำความดี เนี่ยถ้ า, าก็ททำให้เราได้หายใจก็น่าจะประมาทไม่ได้สต่งดดต้องฟ้าอาหารการชีวิตเราได้จบได้ช้อนจกคนอื่นให้เราเป็นเลือดเป็นเนื้อไม่กำลังได้ยิ่งจะทำให้เราได้ไม่ประมาทจะได้บากบันทำความดีความเพียร เห้โทษถอยแล้วก็ทำก็ทำได้เป็นกอบเป็นกมที่ปล่อยก็ปล่อยได้อะไห น, หนักก็ทำให้เบาได้อะไรไม่สะดวกทำให้คือสะดวกได้ทั้งเป็นลูกไปทำทั้งเป็นนามมาทำ นันหมอจัการสร้างโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลุ่นยังเกงชีวิตของเราเนี่ยแต่น้อยประโยชน์โจตนประโยชน์ต่อคนอื่นประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อภาษาศาสนาในป่าก็ขอพูดในในที่มีชีวิตในโลกนี่จะบอกคนผมหลงไม่จริงผมไม่หลงมันจริงผมโกรธไม่จริงผมไม่โกรธมันจริง ความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงมีอยู่กับเราประไปยอมหากมันมีความหลงก็ให้มันลูกขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อใครเอาหลงกับลูกเป็นประโยชน์ต่อใครเกิดถ้ามันเกิดกับเราเรเ ก, ก, ก, ก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองถ้าคนอื่นหลงคนอื่นทุกข์ก็ช่วยกันก็เป็นประโยชน์ต่อใครประโยชน์ต่อญาติต่อมิตรประโยชน์ต่อโลกถ้าเรา ทำเราควาชั่วทำความดีได้นี่ครับเ ป, ไป็นประโยชน์ต่อโลกถ้าเราเราควาชั่วทําความดีได้ก็ประโยชน์ต่อพระศ า, าสนาต่อพระธรรมคำสอนดังมีบุรพาจารย์ของเราที่ได้ยินได้ฟังได้ยินคําพูดของท่านได้นําคําพูดของท่านมาปฏิบัตินำมาแชรเราเดียวเดียวได้ คิดตอแลกว่าน่าจะตัวเท่าขับฟ้าชียิตตรงนอนนะกูเองกูเองกูเองว่าอย่างนี้หนหัวใจไปหอเหียวโทษแท้ทำใหม่ในการทำความดีสิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจนีปฏิบัติได้ให้ดีขึ้นได้ทุกกรณีถ้าเราไม่หาดล แล้วก็อเ oh, อ้กลัวสัตว์ทั้งหลายเพียงแต่ความคิดก็ทุกยิดของเราเนี่ยคิดขึ้นมาก็ทุกง์นไม่ได้กินไม่ได้นี่ก็ยังไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลงไม่สอนตัวเองจะไปทำอะไรได้เฉียชาติที่เกิดมาเคยเป็นคนโคตรลูก เป็นหมอทำเวรจะสมัยเป็นหนุ่มโอ้ยมันลำบากเหลือเกินกันทุอยแมนบอไม่ออกประตูลำบากเหลือเกินนะกอจะพ้นจากคันมาคนท่องคนออกมาได้ยังไงสั่นคนคนลุกสันด้ลุก ไห้กำลังใจช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยอขอที่พึ่งเสียงเป้นเสียงตออยายเกิดมาแล้วว่นชั่วเหมือนหมาม็เ <c oughs> มีพ่อมีแม่จริงจริเลี้ยงงาจริงๆิงตูดเตื้อนในอกจริงๆมันยังมาคิดชัวช่วทาชั่วอยู่ไม่คุ้มค่าเป็นในรักคุณน่าจะตกบอกตัวเองเฉย แม่เราตายแล้วพ่อเราตายแล้วเรายัางอยู่แต่โอกาสในโลกนี้ลูกวันี้ลูกของพ่อก็ดี้ลูกของแม่กนนี้ว่าอยาด ก, กาดีมันยิ่งใหญ่เมื่อมันมีกำลังใจแล้วมันก็สู้เสือได้ทุกทา่าภาษาในความชัวช่วที่เลื ต, ตั้หนาลาคา่ะมี บูรพาจารย์มีบรมโครผู้ทีเจ้ามีอยู่จริงๆมาเช่ฟอมผ่อนลองทมดูก็มีได้เป็นได้กับชีวิตเรานี่จากสามัญชนเป็นผู้ทีเจ้าขึ้นมาจากสามัญชนเป็นพระหลานขึ้นมาจากสามัญชนเป็นพระอนาคามีขึ้นมา จากสามัญชนเป็นพระสิจิตาคามีจากสามัญชนเป็นพระอัลละเป็นพระโสดาบันขึ้นมาจากสามัญชนเป็นมนุษย์ขึ้นมาจากสามัญชนเป็นคนจากสามัญชนเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสารโรกเป็นเรฉาตต่ำต้อยลงไปนะนี่มันเป็นอย่างในชีวิตเราตกต้งโลกตายถ้าไม่หัดตนสอนตน แต่ความยิดก็เป็นทุกข์ตอนเก็ต้องยกมือห้านิ้วจิบนิ้วชูก้าขึ้นมาเอาละชีวิตเราเนี่ยมีอยู่นาทีสองหนึ่งาทีจะทำอะไรที่มันก็นขึ้นให้เห็นหมดดูเลยมันดูมันก็มีไม่มีมากมีกายมีใจตวาอนของ ความดีทวาของขมชั่วคือกายกับใจแล้วก็มีปากที่มันพูดมีใจที่มันคิดมีกายที่มันกระทามันก็ต้องน่าจะคุ้มของตัวเองได้ทุกคนคุ้มของตัวเองได้เกิดประโยชน์มหาศาลในโลกนี้ต้นกระลาเพลกเกิดขึ้นทั่วมุมเมืองได้จริงๆมีแต่คิดดีพูดดีทดําดีที่ัหนก็เป็นคนดีที่นี่ก็เป็นคนดี เพื่อมีความดีเกิดขึ้นจากคนดีได้โดยเพื่อปฏิบัติธรรมเป็นโคเป็นกรมขึ้นมากู่เขนเข้ารู้จึกเหยื่อเขนนอกรู้จึกผมรู้จึกคืออะไรคือธรรมเป็นก้าวแรกที่ออกไปสู่มุ่สู่ผลนะน่าจะยิ่งเพื่อรอเป็นชีวิตนักปวดเราอยู่วัดอยู่ว่ายิ่งไม่มีโอกาสเสียสละ มาแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนปันกลางเป็นคนเท่าคนเจวยผ่านโลกมาลลกร้อนโูกหนาวมาอะไรแค่ไหนเพียงไลมีอีกไหมชีวิตเนี่ยมีแน่นอนมีมากมีผลมีบุญไม่กุศล ส, สามารถสร้ากกันมาได้ มีคดดวนมรู้จึกตัวสอนตนฝึกตอมหลักธรรมเชื่อมั่นในสูตรเชื่อมั่นในพิธีธรรมเชื่อมันนมอม่นในธรรมเชื่อมั่นในธรรมบ้าความรู้กับความหลงเนี่ยเลือกได้แน่นอนความทุกข์กับความไม่ทุกข์เนี่ยเลือกได้แน่นอนความโกรธความไม่โกรธเลือกได้แน่นอน เลือกจนจนจนละเอียดปานี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกากับใจเนี่ยนุกเลือกเป็นมนุษย์สมบัติเป็นวดชนามันได้จริงจริงมันทำได้มีบาระะมีจริงจริงนะอที่จะละความชั่ว น้อยที่ทำความดีทุกกรณีและเราหัดแลาเราไม่หัดก็ยากทำความดีได้ยากทำความชั่วอาจจะได้ง่ายก็ได้น้เถอะพวกเร า, าว่าพวกเราแล้วมันก็อุ่นใจนะถ้าไม่มีเพื่อนมีมิตรไม่มีผู้ปฏิบัติเราจะไปสนอนใครที่ไหน จะทำยังไรคนจึงจะมาอยู่นเพื่อการปฏิบัติแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าผู้ยังไม่มาขอให้มามาแล้วปฏิบัติธรรมอยู่เปนจุกเละทุกถ้ามีทุกขครใครก็เคยมีทุกไม่ต่างกันเลยวกิดพูดเมื่วานนี้ผ่านมาแท้ๆ จากความหลงได้ผ่านมาถึงความไม่หลงทางเช่นนี้ผ่านจากความทุกข์มาจากถึงความไม่ทุกข์ผ่านมาแล้วอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจจะทั้งผ่านมาแล้วถ้าเห็นก็เห็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันอย่าอย่าไปอ่อนอในสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงแล้ว ในสิ่งที่เราเป็นทุกข์คนอื่นเขาไม่ทุกข์แล้วในสิ่งที่เราวิตกกังวลคนอื่นเขาปล่อยวางในสิ่งที่เราพุ่งสา้างคนอื่นเขาสงบแล้วมองอย่างนี้มองแบบไกลๆอย่าโกรธคนเดียวอย่าหลงคนเดียวอย่าทุกคนเดียวคนอื่นก็เคยมีมาแล้ว บางทีแปลความทุกข์รวมตัวเองหานะว่าตัวเองทุกข์ยากลำบากโอ้ยคนอื่นเขายากคนเรานนี้ลำบากคกนเราแต่เฉติมาเฉติเคยลำบากเชติใหม่ที่โตหลีอ่านประวัติเขารู เด็กน้อยสองคนพี่น้องขอเล่าเจ้าหน่อยได้ไหมเดี <c> ๋ย <oughs> <c oughs> นี่ประเทศเกาหลีเป็นเศรษฐีใหม่ก็คนคุณอาทอมเน้องสองคนที่เป็นหญิงเป็นพี่ผู้ชายเป็นน้องเรียนหนังสือทุกทุ ก, ทกจ น, จนหนาวเดินข้ามทุกหนา แต่งข้ามตัวนาไปเรียนหนังสือหนาวมากพี่สาวตอดถ้องมือให้น้องชายใส่หนาวสัน่นน้องชายก็เห็นพี่สาวเสียสจจระตอดทงองมือตัวเองให้น้องพี่ชายพี่สาวยอมหนาวโดยคิดถึงแค่นี้ ก็มีในหวัวใจของคนที่มีบุญคุณต่อมาพี่สาวก็อยากได้รองเท้าเห็นเงินพ่อวางอยู่ที่หลังตู้เลยหยิบออกไปซื้อรองเท้าพ่อก็มาถามลูกสองคนเข้าเงินไป ไม่มีใครพูดทั้งพี่น้องชายก็เห็นพี่สาวอยอูม่มันเดินข้ามทุ่งนาแต่ไม่มีใครพูดอ๋อถ้าไม่มีใครพูดก็แจงว่าต้องลงโทษต้องสองคนไม่มีใครที่ไหนถูกตีตูกตีให้เจ็บปรไมไม่บอก ว่ามีาเงินเท่านี้ทําไมมาเอาไปทําไมไม่บอกไม่มีใครที่ไหนหนะมีลูกสองคนเพื่อนองถูกตีทุกคนลงโทษทุกคนก็อกก็โอ้ไม่เลี้ยวจะตีลงไปน้องชายเห็นเห็นเขาจะตีพี่สาวนร้องไห้อยู่ถ้าจะพูดก็บอกก็ยอมว่าครัวพ่อจะตีแล้วนั่นก็ต้องตีน้องอีกน้องก็ยอมด้วยบอกพ่อจะตีจริง เคี่ยนผู้พี่ก่อนตัน้องก็เลยบว่าของเราพ่อกเป็นคนเอาโอบมึงขนาดนี้เลยจึงจึงบอกนะึะฉันจะตายก็จึงบอกก็ดีเมัองนะเลยนะแล้วเลยหยุดตีว่าจะตีพี่สาวก็มาตีน้องชายน้องชายก็ตีจนหลังแตกเนี่แพี่สาวก็เสียใจยที่น้องไม่เป็นคนรักขโมยแต่ก็ถูกตีไป ทำไมจึงเสียชลาขนาดนั้นพวกเขาจะตีพี่สาวรักพี่สาวมากพี่สาวให้ถุงมือใส่เท่านาั้นมีบุญคนมากได้เที่ยวเลยแล้วก็ยอมเจ็บแต่ตอนที่สาวก็นอนไม่หลับแต่งานนอกเวลานอนเก็บมากไหมเจ็บมากไหมแต่ ว, ว่าไม่เป็นไรมันเล่าไปแล้วสิ <c oughs> ่งที่เล่าไปแล้ว ก็ตีไปแล้วเจ็บก็เจ็บไปแล้วไม่เป็นอรทิ้งไปปอยไปแล้วไปคิดลำาลี่ลํลำไรทำไมอาคิดเป็นบุญกุต่ตก่อนเรียนหนังก็จบต้องสองเรายังปิดบางความนั้นไว้อยู่น้ิดพี่กับน้องสองคนแต่ต่างคนต่างมีบุญกุลตอกันอีกก็ ต่งคนต่างมีหน้าที่ทํางานแต่พี่สาวให้เป็นให้เป็นเมียของผู้เจ๋อคนหนึง่งมีบริษัทใหญ่แต่น้องชายเป็นกรรมกรในวันแต่งงานพี่น้องชายได้ทราบว่าพี่สาวจะแต่งงานพี่สาวจะแต่งงานก็เลย ลางานมาตั้งแต่กลางวันมาเช็ดบ้านถูเรือนรีบเร่งปรั บ, รบปรุงบ้านเรือนให้เท่ากับศาสตร์ให้เพราว่าจะน่าหลังเกียจเพราะมีแต่พ่อแม่สองคนอยู่บ้านเพราว่า พ, พี่สาวจะแต่งงานแฟนพี่สาวจะมาให้น่าดูสักหน่อยจะมาทํารีบเร่งกระจกบาดมือแต่กระตกแต ก, าต ก, แตกบาดมือ รีบทำเกินไปแล้วก็แก้ไขได้หมดพอดีหลนเย็ยนมาพี่สาวก็มามาดูบ้านทำไมบ้านตีเหลือเกินจอดเรียบร้อยหันอกของแกนะ่ะมาทำบุหรีุ่กหลนอยู่นี่จนกระจกบาดมือนอน อ, อยู่ไหนนอนอยู่นอก้าไปดูนอก เดินหือบา่าเราเจ็บมากไหมว่ า, มาไม่เท่าไหร่ตักมือเนี่ยสมทำงานกรรมกรแบกปูนแบกอิฐเจ็บมากกว่านี่ดูเขียนขผาผมตกลกหมดกระจกบ่า ท, ท่านี่ไม่เป็นไรในที่สุดสองคนนี่ก็เราวพี่สาวก็นมีตรงนี้ดีเป็นเสิยตีขึ้นมาอ่าน้องชายไป ผมต้องชยช้เอาจากกรรมกรมาอยู่ประตูที่บริษัทเออไปอยู่บริสัทตลเนาะอยาให้เป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่เอาเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าผมก็เป็นกรมกรมกรจะมาเป็นเหนือไปโกกา ม, กมกัวนะขอรับเช่าอยู่นี่แหละดูนู่นดูนี่ไปอยู่ก็อ๋อเป็นเศรษฐีมั่งมีเศรษฐีใหม่ในเกาดีทุกวันคนจนๆอย่างนี้ เราไม่ทุกเนี่ย น, นี่เละเราจะไม่ทุกมีกำลังจ่ายศึกษาปฏิบัติธรรมมีได้เป็นได้ไม่ ส, สรวย์สลอยใช้ชีวิตยอย่างเรียบง่ายยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติไม่เป็นสติเขาเลยเป็นสติในทางธรรมเลยอรา่ในลูกนี่ยเขาจะพูดถึงความไม่เป็นอะไรสู้เราไม่ได้หรอก เราไม่ภูมใจว่าเราเกิดมาไม่เสียชาติแล้วแต่เราที่เราได้ทําทําได้สําเร็จมีมีความสาเร็จบ้างเคยหลงไม่หลงแล้วเคยทุกข์ไม่ทุกข์แล้วเคยโกรธไม่โกรธแล้วโดยอากายเป็นเรื่องสุขเรืองทุกข์เดี๋ยวนี้ไม่้อกกายไม่เป็นเรื่องสุขรื่องทุกข์แล้วเคยเอาจิตใจมาเป็นเรื่องสุขเรืองทุกข์เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเอามาทำประโยชน์ หมายเจ้าเข้าชิดใต้ก็ามก็จะมาสร้างเป็นประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยนั่นก็ทำได้น่าสะดวกที่สุดคือนักบวดที่อยู่วัดวานี่เป็นอาชีพโดยตรงไมนก็มีวิธีพหัดมีกรรมฐานมีเพื่อนมีมิตรแล้วก็ให้ดูแลกันจากาทะรลาะ เปยียดเปลี่ยนทิ่งกันละกาน ร, ร้อมสี่ไปล้อมให้ดีถึงขึ้นมาก็พากันมาทาวัดชวดโมนมีระเบียบเรียบร้อยยิ่งเราไม่ทำไให้วินัยเป็นรั่วล้อมพายล้อมใจของเราเพ่อให้ได้แบบได้พิมพ์ที่ดีมาจากลูกต่างพ่อต่างแม่ ต่นงนิชัยใจคอตัดรตินิกายมาอยู่ในธรรมไว้ไหนเป็นอันเดียวกันหมดเนี่แล้วก็ยิ่งเหมาะเก่การบรรลุธรรมมีวัดปฏิบัติเป็นชีวิตรอมที่ดีอุขัดกายวาจาใจมาใช้คิดต้นคิดเดา ลู่ฉันเข้าลู่ฉุกเหยียดฉันออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกลู่ฉุดเป็นทูลเป็นเจ้าถิ่นเวลาอะไรมันจวนมาเจ้าถิ่นก็ต้องรู้บอกคืนความหลงมาบอกคืนบาปมีความรู้ไล่ความรู้จากความหลงไล่ความไม่ทุกจากความทุกไม่ความไม่โกรธจากความโกรธไล่ความไม่วิตกกังวลไล่ความสงบร่มเย็น ในความฟุ่งซ่านในความจงงโดยความเลงเหลือสงสัยท้าเนเพเกิดปัญญาตัดถิงใจไม่ต้องหลังเหลือสงสัยนี่แน่นอนนี่แน่นอนถูกมันบอกผิดบันบอกแน่นอนแน่วแน่ชัดเกลียแม่นยำค ร, รชีวิตอย่างชัดเกลียแม่นยำไม่พลาดไม่ฟัง จะพูดก็จะพูดจะคิดก็จะคิดจะทำก็ทำมันอยู่กับเราละความชั่วก็ไม่ต้องขอญาตาิใครหากมันเกิดขึ้นที่เราทำได้ไม่ปล่อยทิ้งอย่างนี้ปฏิบัติทาอย่างนี้ได้เปลี่ยนหลงเป็นลูกเนี่้มันยอดเยี่ยมไม่เปลี่ยนทุก็นไม่ทุกเนยมันเป็นงานเป็นการของเรางานโชคจริง จิสิ่งที่ดีเป็นความคิดชอบพูดสิ่งที่ดีมันเป็นการพูดชอบทำสิ่งที่ดีมันการทำชอบอะไรหลายอย่างเป็นเครื่องมือทำให้เราได้พัฒนาชีวิตจิตใจของเราเวลาเราปฏิบัติได้พบได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตากับใจเราในสิ่งที่ ผิดที่ถูกมีอยู่ในกายในใจเราเนี่ภายในภายนอกรูปรสกลิกก่นเสียงอารมณ์ต่างๆมีอากสิ่งรวบรอมจากผู้คนอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเรามีเจ้าถิน่นมีสิทธิมีสติ เป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจมีปัญญาเป็นผู้ที่รู้โลกไม่ซื่อบือ้อไม่หลับหูหลับตาปฏิบัติธรรมไม่สงบไม่รู้ไม่คิดอะไรไม่ใช่ตื่นตาตอมสบายสบายตาเกิดขึ้นมาเห็นมันคิดในประโยชน์จากความคิดบางทีปฏิบัติธรรมบางคน ไม่อยากให้มันคิดอลากให้มันสงบแล้วก็ง่ายแบบนั้นสอนได้ไม่ยากเคยฝึกมาแล้ววิธีที่เราสอนกันอยู่นี่ที่เราสึกอยู่นี่ปล่อยเลยปล่อยอกเลยมันจะคิดก็คิดไปแต่ว่าเราลู้สึกตัวเพียงแต่ลู้ศึกตัวโดยเฉพาะมารฐานยกเพื่อสร้างหยดมันก็วอดกันแล้วความคิดนะั้นกลายเป็นความรู้แล้ว ไม่ต้องไปห้ามคิดไม่ต้องหาคำตอบจากความคิดว่าออกกับบาดฐานพปที่ตั้งรู้จุกตัวรู้จุกตัวเพื่อนไหวไปมาันชิตไปกับมานี่โอเคเป็นอย่างนี้แน่นอนแน่นอนสิทัสีทั ด, ท, ดทะจไมไวเป็นสามัญชนคิดถึงเพลียพารับมาดูนี่กู่ขยนเข้าคิดถึง ล, องล้อหุน รู้ว่านี้ถึงพลาดสมบัติกรรมานี่คิดถึงประสาทตรู้ดูกลับมามันคิดได้ประโยชน์จากความคิดกลับมาได้กลับมารูา้ได้กรรมารู้ด้ลาเนี่ยมันนั่งลูกไม่ใช่มา น, นั่งคิดถึงลูกถึงเมียมให้รู้สึกตัวกู้ฉันเข้าเหยื่อฉันออกรู้สึกตัวนะเอากายเป็นวัตถุปปอุปกรณ์ผิดความรู้ขึ้นมา ยิงพกรม่กรรมฐานทีหยิบบอกว่าความรู้ทีหยิบทุกวินาทีรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวสิบสี่รู้ทุกวินาทีมันจะไม่มีได้ไงจะไม่มากได้ไงไม่มีอะไรที่ทําได้เหมือนกับกรรมฐานถ้าเป็นเงินตนทองเก็บได้ทุกวินาทีความรู้สึกตัวเป็นเลยสับภายในของเรา เก็บได้ทุกอางที่เก็บเอาเก็บเอเก็บเอน่าจะขยันบากบันนี่จมเชี่ยเราอยู่ไม่ขี้พุงอาหารให้เรากินอยู่สกาวัานสาก็ดีก็มีเราเคี่ยเราอยู่โอได้รับความสะดวกน้ำดื่มน้มําใช้เชี่ยเราอยู่เหมือนสารพัดนึกสารพัดประโยชน์อยากได้น้าําก็มีน้าํา ตีน้ำก็ไมทั่วเหมือนกรุงเทพมีน้ำกินมีอาหารพอประเทียงชีวิตเราดีไหมจะ<ม>เอาที่ไหนอีกอที่ไห<ใ>นอีกนั่นี่นะอโอกาสโอกาสเรามีโอกาสแล้วมีเวลาแล้วสุกเป็นนาทีรู้จักตัวอยู่กับเราเนี่ย เวลาได้มาลูกนั่นงานของเราแล้วจะได้ลูกกันเวลาได้ไม่มีเลยก็ลูกขึ้นมาในกับบรงฐานนี่แหละเป็นที่ตั้งเป็นกรอบเป็นกระดองอะไรมาเข้ามาหาความลูกความรักเกิดขึ้นมาหาความลูกกิเลสเกิดขึ้นมาหาความลูกความโกรธความอกุศลเกิดขึ้นกับมาหาความลูกขับมาลูกขับมาลูกขับมาลูก วิธีสร้างให้เกิดความรู้ก็มีวัสดุอุปกรณ์เนี่ยมนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจนมาทำให้เกิดความสำเร็จตาผ่านทุกเรื่องทุกเหลา่าผ่านหนุดจนว่าหมดไม่นะ่าไม่เป็นอะไรกับมันแล้วอ่าววันนี้ก็เป็นโอกาสของเราแล้วสมควรใช้ เ, เวลากับพระพร้อมกัน